วิบาก ค, คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเรื่องวิบากต้องศึกษากันอย่างละเอียดถีท่วนและเลือกซึ่งจริงๆจึงจะมองเห็นว่าพระรัตนตรยัยหรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะอธิษฐานขอใอนุภาพของพระรัตนตรัยคุ้มครอง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 ตัวคนเดียวแต่สามารถฆ่าคนได้มากมายไกๆไม่อาจที่จะฆ่าท่านให้ตายได้ทั้งนี้ก็เพราะมีวิบากอันหนึ่งที่คุ้มครองอยู่เบื้องหลังคือบุญบา ร, รมีที่ท่านได้สร้างสมบบรมมาจนถึงขั้นที่จะให้ท่านได้สำเร็จเป็นตระอรหัน์ในชาตินั้นซึ่งจากบุญบา ร, รมีอันนี้เป็นเหตุชักจูงทำให้ท่านได้พบกับพระพุทธองค์ได้ฟังคาสอนจากพระพุทธองค์จนกระทั่งในที่สุดได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต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 ของอวัยวะต่างๆนั่นเอง